أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسفن سحدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي ه د ه الله فلا مضل له و م ن ا ي د ل ه ف ل ا ه ا ر ي ل ه ل ا ل ل ه ملكالحمد حتى ترضى ولكالحمد إذا ر ض, ض ي ت ولكالحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إ ل ى الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا أبده ورسوله أما ب, ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ลักร์ ل ล่าวหลังพระองค์ตรัสว่าในคัมภีร์ที่ ا ักดิ์ส م ทธิ์ ن ัดอาอุบุลลาฮ و ผู้ต่อต้านชีตานุรติ ل ท่าน ا ู้ที่รักีที่รักนี้ผูที่รักนี้ผู้ที่รักนี้ผู้ที่รักนีู้้ที่รักนี้ผู้ที่ากี้ผู้ที่รักนี้ผู้ที่รักนี้ผู้ที่รักนี้ผู้ที่รันู้ักู้รนั เป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่เนรคุณเป็นคนที่ชอบโอ้อวดมากขนาดไหนพวกเราก็ได้พูดถึงหนทางที่มุดควรจะเลือกเดินนั่นก็คือการเลือกที่จะปีนชะงนวันผาที่ยากลําบากซึ่งเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าพวกเราบอกครับว่าในเรื่องของการเลือกเดินบนหนทางที่ยากลําบากนั้นคือการเลือกที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าสังเกตดูนะครับทั้งหมดที่โพลัสสุบฮานตราพูดคือการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งสิ้นเลยซึ่งถือว่าเป็นความดีสากลคือคนทุกคนก็มองว่าเป็นความดีการปล่อยชาติการให้อาหารในวันที่ยากลําบากการช่วยเหลือเด็กกำพร้าการช่วยเหลือคนที่ยากจนขัดสนทั้งหมดเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นป็นสิ่งที่ได้ผลบุญแต่โพรส์บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักก็ต่อเมื่อคนที่ทํานั้น ทำด้วยกับการที่เขาศรัทธาต่อ Allah แ, แล้วเขาก็มีการตักเตือนกันและกันให้อดทนแล้วก็มีความเมตตาตักเตือนที่มีความเมตตาเข้าใจได้ไหมยากถูกไหมครับเพราะว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นการจะช่วยเหลือคนอื่นต้องมีพื้นฐานมาจากความเมตตาจริงอยู่ที่ว่าเราทําเพื่อ Allah แ, แต่ ลึกๆในใจของเราก็เพราะเราห่วงเขาเราแคร์เขาเราอยากให้เขาช่วยเหลือเราเอาใจเขามาใส่จใจเราประเด็นที่เราพูดคุยค้างกันไว้ในตอนที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องที่แบบว่าโต๊ะเลาบอกว่าคนที่จะเป็นคนดีเนะี่ยเขาต้องเป็นผู้ศรัทธา ม, มาก่อนแล้วเขาต้องหมันเตือนกันให้มีความอดทนเราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าทําไมถึงไม่ได้ใช้คําว่าเขาต้องตักเตือนกันให้รู้จักขอบคุณเพราะบททดสอบ ที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์หลักๆนั้นล้วนเป็นบททดสอบที่เราไม่ชอบทั้งสิ้นซึ่งมันต้องใช้ความอดทนมากกว่าการขอบคุณต้องใช้การอดทนมากกว่าการขอบคุณผมไม่ได้บอกว่าการขอบคุณไม่ใช่สิ่งที่ดีการขอบคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสาหรับมุสลิมที่เราต้องขอบคุณหรอเพียงแต่ว่าเมื่อเจอบททดสอบที่พ่อทดสอบเราเนี่ยก่อนที่เราจะขอบคุณพระองค์ได้เราต้องอด ทนกับมันได้ก่อนผู้ที่อดทนกับมันได้ยอมรับมันได้เขาจึงมีความสามารถที่จะขอบคุณพ่อและล้อได้พี่น้องสังเกตดูนะว่ารอบตัวเราหรือบางทีตัวเราเองพอเจอบททดสอบหลายครั้งเราสติแตกหลายครั้งเราโมโหหลายครั้งเราโกรธหลายครั้งเราด่าว่าหลายครั้งเราจิตตกหลายครั้งอารมณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้เราขอบคุณพ่อและล้อได้ถูกไหมครับ เราต้องผ่านอารมณ์เหล่านั้นให้ได้ก่อนการที่จะผ่านอารมณ์เหล่านั้นก็ต้องด้วยกับการอดทนแล้วหลายๆลายเรื่องที่มันเจอกับเราเนี่ยบางทีเราเนี่ยไม่สามารถจะทนได้จนกว่าจะมีคนมาให้สติเรามาเตือนสติเรามาให้กำลังใจเราไม่ใช่ว่าเขาเหนือกว่าเราไม่ใช่ว่าเขาเก่งกว่าเราไม่ใช่ว่าเขาดีกว่าเราแต่เพราะว่าเขารักเราเขาก็เลยเตือนให้เราทน แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าเรานั้นต่ําต้อยหรือแย่กว่าเขาเพราะบททดสอบถ้าไม่เจอเองย่อมไม่รู้กับตัวถูกไหมครับคือคนนอกเนี่ยเขาจะมีสติมากกว่าเพราะเขาไม่ได้โดนบททดสอบนั้นไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นอะไรชัดเจนกว่ายิ่งถ้เกิดเขารักเราเขาเป็นห่วงเราต่อให้ไม่ใช่มุสลิมเขาต้องบอกว่าไงครับอดทนไว้นะเดี๋ยวมันจะผ่านผลไปแต่ถ้าเป็นมุสลิมอดทนไว้นะอัลลอฮ์ใช่มันผ่านผลไป แล้วเธอเคได้รับการตอบแทนแล้วเธอจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้กำลังใจมันจะไม่เหมือนกันนะกำลังใจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันเยอะครับ ไม่ได้ทักทายพี่น้องกับพี่น้องให้สลามานะครับผมยังไม่ได้ตอบสลามท่านใดเลยนะครับผมคุณซเบย์ได้นะครับบอกกระทำโดยรักะบีชัดเจนอาลหามเลยแล้วครับผมแล้วก็อ้ดินยาคือคุกสำหรับผู้สแตะอ่าเมื่อกี้ไม่ทันได้สลามนะครับตอนนี้มาสลมานะเจษารุ่งกขันครับบาริกุสลมานุตระบอกาตุครับผมพี่ซมานะครับบารักบุกิสก็สละมาครับผมน้องชายผมเป็นไหนเอ่ยโอเคน้องชายผมน่าจะไม่ทันตั้งตัวเพราะว่า ผมเพิโผ่มานะครับผมคุณจำบัดสลามมาครับโดยคุณสลามตัวละครการ์ตูนเช่นเดียวกับนีิวันนี้ครับผมเราทำอยู่แล้วกรุงเทพชัดเจนก็จะซากรุมุลลาห์ฮุเคยรับขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งครับผมนั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันครับว่าชีวผู้ศรัทธาเนี่ยมันต้องมีการเตือนกันเพราะว่าเวลาที่เจ้าตัวโดนบททดสอบเนี่ยบางทีสติเขาแตกบางทีเขาคิดไม่ออกบางทีเขายังเศร้าบางทีเขายังทุกการมีคน อยู่แล้วก็คอยให้สติเขาเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเพื่อที่ไม่ให้เขานั้นทําสิ่งที่เขาต้องเสียใจทีหลังการทดสอบของพวกเรื่องที่เราทราบครับบางท่านที่แบบว่าควบคุมตัเองไม่ได้บางท่านสติแต่ก็อาจจะเลือกทางเดินที่ผิดและเขาต้องเสียใจไปตลอดชีวิตบางคนอาจจะเลือกไปพึ่งพายาเสพติดบางทีอาจจะเลือกไปทําสิ่งที่ฮารอมบางคนอาจจะเลือกไปทําการลักขโมยบางคนอาจจะเลือกทําลายชีวิตตัวเอง ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเขาถูกทดสอบแล้วเขาผ่านมันไปไม่ได้เราะการมีใครสักคนอยู่ใกล้ๆที่ว่าคอยเป็นห่วงเราคอยให้คำแนะนาคอยตักเตือนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมุสลิมที่เลือกหนทางที่ยากลำบากเพราะพวกเราบอกให้เลือกเลือกหนทางที่ยากลาบากใช่ไหมเมื่อเลือกแล้วก็ต้องมีการคอยเตือนสติกันด้วยพี่น้องที่รักยิ่งครับ คำถามที่เจอถามบ่อยมากๆแล้วก็พี่น้องก็รู้สึก yeah. แย่กับมันมากๆอย่างนี้ น, นั้นก็คือทําไมเราล้อรักฉันแล้วต้องทดสอบฉันด้วยทําไมเราล้อรักก็ต้องให้เกิดการสูญเสียด้วยทําไมเราล้อรักแล้วต้องให้เป็นใ ห, ใ ห, ให้ต้องขัดใจฉันด้วยหรืออะไรก็ตามแต่คือเราเข้าใจว่าถ้ารักแล้วมันต้องตามใจถูกเรื่องมันไม่แม็กซ์เมันไม่ใช่ความจริงถูกไหมครับเวลาเรา รักลูกถามว่าเราตามใจลูกทุกเรื่องไหมไม่เพออราะละครับพรารักลูกเพราะฉะนั้นบางครั้งอนะ่ะการให้การขัดใจเนี่ยมันก็เป็นความรักรูปแบบหนึ่งขัดใจเพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกับเขาจริงๆพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่พูดให้คนเข้าใจได้ยากมันเป็นเรื่องที่ว่าทำํำไม ใจเราในะบางครั้งให้มันยอมรับยากในการที่เราจะมองว่าบททดสอบในดุนยาจริงๆมันไม่มีอะไรเลยการที่เราสูญเสียทรัพย์สินการที่เราสูญเสียคนที่เรารักการที่เราไม่สบายจริงๆแล้วบททดสอบทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับวันเกียามะ แต่มันยากที่เราจะมองเหนน็น ม, มันยากที่จะเข้าใจเพราะเรารู me, mache, ้แต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยฉันเจ็บอาจารย์ตอนเนี้ยฉันสูญเสียอาจารย์ตอนนี้ฉันเสียใจตอนนี้ฉันโกรธตอนนี้ฉันทุกข์ตอนนี้ฉันเจอบททดสอบฉันแย่และอเกินตอนนี้ฉันอยากจะรวยฉันอยากกินอาหารดีๆฉันอยากจะเที่ยวฉันอยากจะเราเห็นแค่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าพี่น้องเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรไกล เราตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับลูกหลานของเราเวลาที่ว่าเขามองแต่เลยเฉพาะหน้าพ่อจ๋าแม่จา๋านุอยากเล่นเก ม, มอยากเล่นมือถือเอามือถือไม่มือเล่นอาจจะติดมือถืออาจจะติดเกมอาจจะติดหนังอาจจะติดเพลงอาจจะอยากเที่ยวแต่ด้วยความที่เรามีประสบการณ์มากกว่าแล้วมองไกลกว่าเราก็จะรู้ว่าลูกถ้าุูกทุ่ทมอยูกับสิ่งเนี้ยอนาคตลูกมีปัญหาละเพราะอะไรับเพราะเรามองไกลกว่าอันนี้คือแค่เรานะแล้วพี่น้อง คิดดูว่าพวกลัทุิพานุตราผู้ที่สร้างเรามาแล้วก็รักเรามากกว่าแม่ของเราเขาจะไม่ห่วงเรายิ่งกว่าที่เราห่วงลูกของเราเลยพวกจะไม่ห่วงหรือว่าดุนยาจะทําให้เราเสียคนเพราะฉะนั้นในบททดสอบในเรื่องการสูญเสียก็มีความเมตตาของล้ออยู่ในนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องดุนยามันไม่มีอะไรเลยจริงๆผมต้องพยายามพูดเพื่อเป็นการเตือนสติตัวผมเองด้วยเพราะบางทีบททดสอบในดุนยามันก็หนักจนบางทีเราสูมัน มันเป็นทุกอย่างแล้วแต่สัจธรรมที่ท่านบีมุฮัมมัดลลฮัยซัมได้พูดไว้ครับในบันทึกจกันซาบะทวตันซาดินซาอัสซาอดียลอทนได้พูดเอาไว้คบว่าท่านอบีมุฮัมมัดสโลลฮัยซัมกล่าวว่าไงครับาแกนติดดุนยาตะดิลูอินดะลอฮิจานะฮะบะอูดะมากาฟิรันินฮชบะเตมาอ ท่านเบีมูฮัมมัดสลอมบอของอัลลอฮบอกว่าหากดุญญามันมีคุณค่าสำหรับพู้อัลลอฮ์เนี่ยเทียบเท่ากับปีของยุงปีของแมลงวันเบาอ่ดอกปีขยุงหากดุญญาทั้งหมดหากทรัพย์สินในดุนยาทั้งหมดหากทองคําหากเพชรนินจินดาหากรดเส้นไล่นาหากภูเขาหากน้ําหากการท่องเที่ยวหากทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาเนี่ยมันมีคุณค่า เท่ากับปีกยุง่งแต่ว่ามันมีค่าไหมครับสุสลลาะไม่มีค่าเลยคือปีกยุงแหละไม่ต้องสำหรับพวกเราหรอพวเป็นผู้สร้างเอาแค่เราพี่น้องเห็นปีกยุงพี่น้องเห็นคุณค่ามันไหมไม่ปีกยุงที่เรื่องคือต่อให้เป็นยุงทั้งตัวแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าถูกไหมครับผมแต่นี่พวกล้อบอกว่าสําหรับพวกล้อแล้วเนี่ยคุณมองว่าดุนยาไม่มีค่าใช่ยหมพวกล้อมองว่าดินยาคุณอพวกเราเนี่ยมองว่า ปีกยุงไม่มีค่าใช่ไหมพ ร, ระลักษมณ์สุภัตรามองว่าทั้งดุนยาเลยไม่ต่างอะไรกับปีกยุงคือแสดงวา่าลักมันมันไม่มีความแตกต่างมันไม่ได้ประเสริฐกว่ามันไม่ได้สวยงามกว่ามันไม่ได้ร่ดหูุกว่าพราะเราสร้างสร้างทุกสิ่งอย่างเพราะเราสร้างปีกยุงแล้วก็สร้างดุนยาการที่เราหลงดุนยามากๆอยากมีอยา ก, ยากได้อยากอะไรก็ตามแต่เนี่ยสำหรัพระลักษมณบอกไงครับในดุนยาเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับปีกยุงเลย ถ้าดินยามันมีค่าเท่ากับปีกยุ่งพวกเราคงไม่ให้น้ำกับผู้ไปเสียศรัทธาเพราะถ้ามันมีค่าทำไมต้องให้สิ่งที่ดีงามกับคนที่ปฏิเสธพระองค์คนที่ด่าว่าพระองค์ถูกไหมครับแต่นี่ก็คือดิญญนยามันไม่มีค่าะไรเลยไปแล้วพวกล้อจะให้อะไรผู้ไปเสียศรัทธาพวกล้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้ไรับอะไรแต่มุสอิีมเรารู้สึกว่ายาวร้อยไห น, นี่มัน มันไม่ละหมาดเนี่ยพระองคทำไมพระองค์ร้ะห้มันรวยอย่าร้องทำไ ม, อ ไ, ม, อำ ไ, มไอเนี่ยมันมันดาว่าพระองค์แต่ทาไมธุรกิจของมันไปได้ดีอย่าร้งเพราะว่าดุนยาไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับพระองค์ร้องเหรอครับพี่น้องเพราะว่ากล่าวในอัลกุรอานนะครับพี่น้องในสุรุครุฟอะยะที่ 33- มสถึงสาพี่น้องลองฟังดูเพราะว่ากล่าวไ ง, งครับบัวเราละไอยกูนเนสุอุมตัวหนึ่งละจะล้าหนาที่ยม่กับฝรุบรหมานีในบุญุติห์ س ك ف ا من فتنة وما ر ش عليها يظهرون والبيوتهم أبواب وسور عليها يت تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما مات الحياة الدنيا والآخرة إن ربك للمتقين وما ي ع ش أنذكر الرحمن ن ر ي ت له شيطانا فهو له قرين ว่าอ er ินุ่มลี้ยสุดุ์เลี้ยสุดดูน่ามันเสบียงและยิ่งสานนั้นน่ามุขเดือนพี่น้องที่รักเลี้ยกระานเนี่ยพูดเล่ากล่าวว่าไงครับพูดเล่กล่าวว่าหากไม่ใช่ว่าคนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันหากไม่ใช่ว่าคนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันวักนี้หมายความว่าไงครับวักนี้หมายความว่า นี่คือสาเหตุที่ทำให้พลอไม่ให้เกิดสิ่งที่กำลังจะพูดขึ้นเพราะแล้กล่าวว่าไงครับเราจะมอบให้แก่ผู้ที่ปฏิเสธต่อเราเอ๋อเล้จะให้คนที่ปฏิเสธต่อแล้วคือแล้วบอกว่าอ๋อแล้ใช่แก่กาเฟสให้ได้กับกาเฟสครับให้บ้านที่มีหลังคาที่ทำมาจากเงินแท้ มีบันไดที่ทํามาจากเงินแท้แล้วก็มีบ้านที่ประดับประดาไปด้วยทองคําทั้งประตูทั้งหน้าต่างทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็มีเตียงแบบอลังการพรเราลบอกนียครับแต่พวกเราไม่ทําเพราะพระเรากลัวว่าคนทั้งหมดจะกลายเป็นเดียวกันคือทุกคนจะกลายเป็นผู้ไปเสียศรัทธามหมดพี่น้องลองจิตตนาการดูถ้าเกิดว่าโลกดุนยาเนี่ย ถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็นเสรษฐะล้อใครก็ตามที่เป็นกาเฟสผู้ล้อเขามีบ้านใหญ่โตมหาสารลผู้ล้อให้หลังคาทํามาจากเงินให้บันไดแค่บันไดก็ทํามาจากเงินแท้มีทองคําแท้ประดับประดาทั้งเตียงนอนทั้งประตูพี่น้องว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดนับอย่างนี้เปต้นไปใครก็ตามที่เป็นกาเฟสจะมีทรัพย์สินมหาศาลพี่น้องว่าจะเหลือมุสลิมสักกี่คน วพระพุทองคเราก็เลยบอกตอนแรกครับว่าเราและไอยอกรูนนาสุมาตวะหิดะถ้าไม่ใช่เพราะคนเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันคือกลายเป็นกาเฟตหมดเลยพุทธองค์ก็คงทําแบบนี้แล้วเพราะอะไรครับเพราะสำหรับพุทธองค์ดุนยามันไม่มีอะไรเลยคือพุทธองค์ใช้เขามีบ้านทํามาจากทองคำ ท, ทองคําทั้งหลังจริงๆแล้วเขาไม่ได้ได้อะไรเลยความรู้สึกเขาเพืจะโอ้เรามีบ้านใหญ่โตเราร่ารวยเรามั่งคัง่งเรามีโอ้นี่ พอเราไปเศษต่อรเพอเราเป็นกาเฟตพอเราไม่ใช่อิสลามเลยรวยขนาดนี้โอ้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างมุสลิมไม่เห็นได้อะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยนี่คือมุมมองในดุนยาซึ่งพระเรกกล่าวว่าไงครับอินกุลูเซลิกะละมามะตอรฮายตุนยาพระเราบอกว่าทั้งหมดมันก็เป็นแค่ของในดุนยาเราพูดกันบ่อยแล้วใช่ไหมดุนยาแปลว่าอะไรครับแปลว่าโลกที่มีแต่ความอับปยโลกที่ตักต้อย ในนรดุนยาแปลว่าความต่ําต้อยโลกดุนยาเป็นโลกที่มีความต่ำต้อยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ในดุนยาเนี่ยตอนเนี่ยใจเราทุ่มความสําคัญให้กับเราให้กับมันเรารู้สึกอยากได้เรารู้สึกอยากมีบางทีพอเราเป็นมุสิมแล้วเราไม่ได้เราก็รู้สึกท้อพอจะทําธุรกิจแบบนี้เอามันห้ารอบเป็นมุสลิมนี่เลยทําธุรกิจนี้ไม่ได้ถ้าฉันทำฉันคงจะรวยไปแล้วเ ส, เสียใจเสียใจ มีความรู้สึกนี้นะครับบางทีมันก็มีบางทีมันก็เข้ามาในใจโอถ้าเป็นกาเฟสเนนะี่ยอันเมนูนี้ฉันคงได้กินอาหารนี้ฉันคงได้กินมิชลินสามดาวฉันคงไปตะเวนกินทุกที่โอยาล้ฉันมีตังค์แต่ทำไมฉันไปกินไม่ได้นะนี่ฉันก็อยากกินนั้นก็อยากกินนิดดูอะไร่อยๆไปหมะฉันต้องกินแต่ของที่ฮาราเรนไต้ยิบันพอเรามองเห็นแค่ดุนยาเราทุ่มความสําคัญให้แต่ดุนยา เราก็จะลงลืมอาเคาียร์ร๊อซึ่งพเพราะว่าข่าวในกวอ่านไว้ครับแต่โลกหน้าเนี่ยและที่ของปัจุบันของเจ้าหน้าที่ของนายของเจ้านั้นพวกเตรียมไว้ให้กับผู้ที่มีความยำเกรงแปลว่าสำหรับพระลอและสวรรค์มีคุณลค่าณมหาศาลยิ่งกว่าปีของอยู่มหาศาลแบบเทียบไม่ติดแปลว่าพรเราบอกว่าใครก็ตามที่คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยา มันไม่ต่างอะไรกับคุณได้ปีกหนึ่งข้างไร้ข้าจริงๆเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันไร้ข้าจนกว่าเราจะตายพี่น้อ ง, นองจนกว่ามารายการจะมาเก็บวิญญาณเราจนกว่าเราจะถูกสอบถามในหลุมฝังศพว่ามารับนู่แกมาดีนู่แกมั น, นบียุกแกใครคือนายของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าใครคือศาสนาทูต ข, ของเจ้าตอนนั้นแหละครับเราถึงจะเข้าใจประโยคเนี่ย ที่ว่าดุนยาทั้งหมดมันยังมีมูลค่าไม่เท่ากับปีกยุงสักข้างเลยแต่ตอนนี้เรายัางไม่เข้าใจเรายัางไม่เข้าใจแต่พวกราอยก็ได้เตือนเราแล้วพวกร้อรักเราเป็นห่วงเรากลัวเราจะหลงกับดุนยากลัวเราจะยึดติดกับดุนยาเพราะนั้นพวกราก็เลยให้บททดสอบให้เราต้องอดทนในดุนยาให้เราเกิดการสูญเสียที่เราพูดคุยนั่นแหละมันต้องอดทนใช่ไหมต้องอดทน ให้เราเกิดความเศร้าต้องทนไม่ต้องทนเพราะฉะนั้นท่านอับดุลเบี๊ยงมุาสลลลอยจะบอกไงนครับสวรรค์เข้าได้ด้วยการฝืนต้องอดทนนรกจะได้เข้าถ้าตามใจถ้าไม่มีความอดทนบั้นปลายก็คือนรกแน่นอนว่ละเอียดสุดที่แล้วขอร้อคุ้มครองเราให้เราพ้นจากไฟนรกแล้วก็การลงโทษในดุงฝังศพด้วยนยครับอาเมนครั บ, รบรน้าเดองชายบารักัสอ่าหนังชายสลาบ ม, มาแล้วนะครับเรียวกว่าน้องได้ไหมเนะี่ย วันคือสลาล็อตว่าบาคาร่ตราตู้กรุงเทพชัดเจนครับอมาชาวลอ้อขอบคุณมากนะอ่ครับแม่ลูกทักกันนะครับผมอ๋อครับพี่ซันมาบอกนะครับว่าเด็กชายบาคาร่าจำดัอาแต่จำได้ที่บอกว่าล้อจะรับดัอาของพ่อแม่นะครับเวลาเล่นเกมเขาก็เลยบอกว่ามาช่ยดัอาให้หนูชนะเกมนี้ด้วยเอาอย่างงี้เลย น, น้องไหมเออเอาดีดีดีดีด แล้วตวลงชนะหรือเปล่าถ้าไม่ชนะนี่ต้องอดทนนะต้องอดทนนะถือว่าเป็นบททดสอบเช่นเดียวกันถูกต้องครับแม้แต่เล่นเกมถ้าเป็นเกมที่ฮาลาเน่ะนะการที่เราแพ้การที่เราไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบครับก็แปลว่าฟัเราล้อทดสอบด้วยกับการสูญเสียซึ่งเราต้องอดทนหนักกว่าบททดสอบที่เราต้องขอบคุณฟัวร์ล้อ แล้วก็สลับทซิมทุกเรื่องเราก็ต้องขอบคุณพระรุศภานะครับวัดตาลาเพราะนั้นครับวัดตาวาสบิซอปิต้องมีการเตือนกันให้มีความอดทนให้มากๆแล้วผู้ศรัทธาเนี่ยคุณไม่มีทางเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ได้ถ้าคุณไม่มีความอดทนแล้วคุณไม่เตือนกันให้มีความอดทนเดกุรญาณครับพี่น้องความอดทนพเพราะเื่อความสัมพันธ์ในสุรอาลีอิมรอนอยายะที่200ร้อยพระพูดถึงเรื่องของสงคราม เรื่องสงครามต้องชเผชิญหน้ากับข้าศึพกพูดเราบอกว่าไงครับยะไอยุพัลธ์ดีนะอามานูอิสบิรูวาซาบิรูวารอบิตูวัดตะกุลละฮะละอัลละกุมตุฟลิฮุนพูดถึงสี่ครั้งด้วยกันพูดถึงสี่คำด้วยกันในสถานการณ์ที่มันหนักที่สุดสําหรับผูดสัตยาคือการเผชิญหน้ากับศัตรูคือมันต้องสู้มันต้องหลั่งเลือดมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งเพราะว่ากล่าวว่าไงครับ หลังจากที่คุยถึงเรื่องเหล่านี้พวกรบาบอยาไอโรดีนาอามันุสชาตัธาชนทั้งหลายอิสบีรูจงอดทนไว้พวกท่านจงอดทนวาซอบรูแล้วก็ต้องช่วยกันให้มีความอดทนต้องช่วยกันให้ทนกันไปให้ได้คือจูมือกันให้มันผ่านพน้นบททดสอบไปให้ได้บอ ก, กอย่างละสองละตัวเองต้องอดทนนะต้องช่วยกันทนด้วยนะวารอบีตู ต้องมีความยืนหยัดมั่นคงมันคงยืนหยัดต้องอดทนไม่ได้ต้องอดทนอดทนแล้วต้องยืนหยัดด้วยสุบพานั่งรถโอติ่งเรา่อรอย่างที่เราทราบครับชาวมือกะลิมคําที่ใช้คือคําทุกคํามีเนย้อมีความหมายหมดเลยใช้คําเดียวความหมายมากมายแต่เมื่อมาพูดถึงความอดทนเพว่เราใช้ถึงสี่คำ เพื่อให้เราทนให้อัลลอ์รักได้เพราะพี่น้องอย่างที่เรารู้กันครับไม่ใช่คนที่คนทุกคนที่อดทนแล้วเราจะรักเขาคนบางคนอดทนเพราะอยากได้ดุนยาอดทนฝึกฝนพยายามทำนี้ได้เพื่อที่จะทำธุรกิจได้เพื่อที่จะมีความรู้เพื่อที่จะได้ดุนยาทนไม่ทนได้ความดีไม่ไม่ได้ความดีเพราะไม่ได้สนเพื่ อ, อคนบางคนถูกเอาล็อทดสอบอแม่ต้องเลี้ยงลูก บางทีก็เลี้ยงไปก็ด่าไปเลี้ยงไปก็บนไปความดีหายไม่หายเลี้ยงไปลืมไปว่าต้องเลี้ยงลูกเพื่อให้เรารักได้ผลบุญไหมอดผลบุญอีกยาไอโซลีนอามานุสบียรูว่าเบียรูว่รอบียรว่าต่กุลรอแฮแล้วก็จงมีความสํารวมสํารวนต้นต่อหรต้องมีความกลัวหรต้องมีความรักกับอต้องมีความหวังจากหลอสี่ขั้มพี่น้องที่ ด, ดูในเรื่องของความอดทน อิสบิรุวาซอบิริตกและอัลละกุมุพเราบ่ไงครหังว่าพวกเจ้าจะประสบชัยชนะชชะหมายความว่ไงชชหมายความวาเรื่องที่เราอดทนเราจได้การที่เราหวังหรือไม่ใช่อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้พี่น้องอาจจะอดทนอาจจะเพียรพยายามเพื่อที่จะทำงานหาเงินอยากได้เงินสักมื่นพี่น้องอาจจะได้แค่ร้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยพี่น้องบางคนอาจจะบอก เนี่ยอาจารย์ฉันก็อดทนแล้วนะอิสบิรูแล้วนะฉันก็ซอบิรูแล้วแนละ้วเตือนกันแล้วนะฉันก็เอฟบิรูแล้วก็มีความยืนหยัดมีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วนะแล้วก็สบูนต้นต่อร อ, อแล้วแต่เราบอกว่าฉันต้องประสบความสําเร็จไม่ใช่เหรอทาไมฉันไม่ประสบความสําเร็จพี่น้องความสําเร็จที่แท้จริงคืออาเคียระหรไม่ใช่อื่นย่ เพราะใ น, ในดุนยาเรื่องที่พี่น้องอดทนเรื่องที่พี่น้องมีความหนักแน่นเรื่องที่พี่น้องมีความตัดเบือนการเรื่องที่พี่น้องสำรวจจนต่ อ, ตอแล้วในบททดสอบตอนนั้นผลที่พี่น้องได้ในดุนยาอาจจะไม่ประทับใจพี่น้องพี่น้องอาจจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คนที่รักมีสุขภาพที่ดีแต่อัลลอฮ์ก็อาจจะยังเก็บเขาไปเขาก็เสียชีวิตเพราะอะไรกลับไปที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะดุนยามันไม่มีคุณค่าแม้จะเทียบกับปิกยูงอย่างเทียบไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคาบว่าความสำเร็จเมื่อมาจากอัลลอฮซุบฮานุฮัตตาาความสำเร็จที่แท้จริงคือฟอรมันซุษยานินนาริว่อูดิกิลนเจนนัตฟะกอดฟาสใครก็ตามที่ถูกนำตัวเข้าไปในสวรรค์แล้วรอดพ้นจากไฟนรกนั่นแหละคือบุคคลที่ได้รับชัยชนะแปลว่าการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงของมนุษยชาติคือการที่เขารอดจากไฟนรกครับพี่น้อง ไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่คนรักไม่ใช่การท่องเที่ยวไม่ใช่อาหารไม่ใช่อะไรที่เราอยากได้ในดุนยาไม่ใช่อะไรเลยจะประสบความสําเร็จร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคําว่าฟาซ่าพวกล้อใช้คําว่าประสบความสําเร็จคําว่าชัยชนะพวกล้อใช้กับผู้ที่ลอดจากไฟนรกพี่น้องเแฟนมุสลิมเราต้องมองให้เป็นถ้ามองให้เป็นอดทนได้ไหมอดทนได้เพราะเรามองไกล ยืนหยัดได้ไหมยินหยัดได้เพราะเรามองไกลเตือนกันให้อดทนได้ไหมเตือนได้เพราะเรามองไกลสำรวม ต, ต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์หวังจากอัลลอฮ์ได้ไหมได้เพราะเรามองการไกลพี่น้องมองให้ไกลนะอย่าหยุดแค่ดุนยาคนที่ไปเสร็จอัลลอฮ์เนี่ยเขามองได้แค่ในดุนยาแค่นั่นแหละเพราะชีวิตเขาไม่มีอะไรมากกว่าดุนยา เพราะนั้นมุมมองของเขาต้องไม่เหมือนมุมมองของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองเหมือนกับเขาเราก็ไม่ต่างจากเขาบ้านปลายของเราก็ไม่ต่างจากบ้านปลายของเขาอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังหมอส่งกำลังใจมาจะใา่คุณล้อแครนผมก็ใจว่าคุณหมอก็อางานเยอะมีอะไรต้องทำเยอะยุ่งอยู่นะครับแต่ก็มีเวลาให้กาลังใจมาก็จะใส่ล้อครครับผมพี่น้องที่รักครับ ความอดทนที่ถูกต้องที่สมบูรณ์คืออะไรความอดทนที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องที่ทำให้เรานั้นได้รับผลบุญจากเลาเหรที่ทำให้พวกเราบันทึกว่าเราอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนแล้วก็ให้เราได้เข้าสวนโดยไม่ถูกสอบสวนเลยความอดทนที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบไปด้วยสามอย่างด้วยกัน เรากำลังพูดถึงความอดทนที่สมบูรณ์ต้องมี3อย่างด้วยกันพี่น mm ้องต้องอดทนเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องต้องอดทนด้วยอัลลอฮ์พี่น้องต้องอดทนกับพระอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะละนี่คือการอดทนของผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ต้องมีสมอย่างอดทนเพื่ออัลลอฮ์อดทนด้วยอัลลอฮ์อดทนกับอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะละสามอย่างนะถ้าเราอยากตรวจสอบในตอนนี้ความอดทนของฉันสมบูรณ์ไหมพี่น้องดูว่าครบสามข้อไหมเรื่องนั้นน่ยอดทนเพื่ออัลลอฮ์ไหม อดทนด้วยกับพวงรถสุภาหรือไม่อดทนกับพวงรถสุภาในดวงตาลาือไมพี่น้องบางคนอาจจะบอกมันคืออะไรหรืออาจารย์อดทน3อย่างอดทนเพื่ออดทนด้วยอดทนกับอดทนเพื่ออะไรชัดเจนครับวอลีลบี้แฟัสเบียที่พล็อกเก่าวี่คุณอ่านครับเพื่ออะไรนั้นเพื่อนายของเจ้าเจ้าจงอดทนอดทนเพื่ออะไรคือเราหวังว่าเราจะรักเราถูกไหมครับอันนี้คือแรกอดทนเพื่ออัละไร ทุกอย่างที่พี่น้องอดทนต้องอดทนเพื่อให้อัลลอฮ์รักเราเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาเราเพื่อให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเรานี่คือการอดทนแบบที่หนึ่งแบบแรกเกีย่ยงขข้อแรกอดทนเพื่ออัลลอฮ์ใครก็ตามอดทนเพื่ออัลลอฮ์ได้รับกุลบุญอัลลอฮ์รักแต่มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีอีกสองข้ออดทนเพื่ออัลลอฮ์ไปแล้วอดทนด้วยอัลลอฮ์พระสาลับใช้ ค, คําว่าบี อัลลอฮฺเบียดอวามะซอบบรู il อิลลับิลลาฮีในยักาเพราะราบอกนะครับและจงอดทนการอดทนของเจ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอแต่ว่าเมื่อเราอดทนเราก็ต้องอดทนโดยที่เราหวังว่าอัลลอสุบฮานตะลานั้นจะให้เรามีความสามารถที่จะทนได้ไม่ใช่แค่ทนเพื่อเราอย่างเดียวต้องทนเพื่ออัลล แล้วตามที่เราทนเนี่ยเ้วก็ต้องหวังว่าลอจะช่วยให้เราทนได้มากมายเลยคือในคุรันที่เราขอดัวาจากพวะล้อให้เรานั้นมีความสามารถที่จะทนวั ส, สินนุบิสสอบริวัสลาจงขอความช่วยเหลือจากพระลอด้วยการอดทนการจะอดทนก็ต้องขอให้อลล์ให้เรามีความสามารถที่จะทนได้สุดท้ายบักรลอครับ คขาไลลาหอเล่าแับัดว่าเหล่าแม้กัศบัดรับบนาละตัวขึ้นนะอินน้ ا ซีนะอูอักตคหมาวามมาคาหยทั้งหมดใช่หมดเลยโดยเฉพาะวักที่ว่านายของเราโปรดอย่าให้เราแบกรับสิ่งที่เกินความสามารถของเรา เพื่อความอดทนของเราถ้าเมื่อเราจะทนอะไรสักอย่างเราอย่าลืมว่าเราต้องขอจากอัลลอฮ์ให้เราทนได้ด้วยเพื่อการอดทนไม่ใช่อดทนแค่เพื่ออัลลอฮ์แต่ต้องอดทนด้วยอัลลอฮ์ด้วยเราต้องรู้ว่าเราจะอดทนได้ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์เพร่ออดทนมีสองอย่างแล้วนะอันแรกอดทนเพื่ออัลลอฮ์อันที่สองอดทนด้วยอัลลอฮ์อันที่สามอดทนกับ พวกอัลลอฮฺสุบฮานอฺตาล่คือผมก็ไม่ใช่ภาษาไทยยังไงดีคือภาษาหรับจะเข้าใจง่ายเลยคืออลินลาฮีบินลาฮีแล้วก็มาอัา้นรอฮีคือภาษาหรับชัดเจนแต่พอแปลเป็นไทยมันยากนิดนึ่งก็พยายามแปล น, นะครับอดทนเพื่ออัลลอฮฺอดทนด้วยเพื่ออัลลอฮฺอดทนกับพื่อัลลอฮฺอดทนกับพวอ่ออัลลอฮฺแปลว่าอะไรคือพูดคำนี้ผมไม่เข้าใจอดทนกับเพื่อัลลอฮฺหมายความว่าเวลาที่เราอดทนเนี่ย ขอให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราไม่ได้ลำพังเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับเพราะเราบอกไงครับอินนัลลอฮ์ฮะมาอัอบิรีดเมื่อกีที่เราพูดใช่ไหมครับผมอัลลอฮ์นั้นจะอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนอยู่ร่วมอยู่ด้วยแต่ว่ามุสลิมเราเวลาเราอดทนเนี่ยพี่น้องเราจะไม่รู้สึกว่าเราลาพังเราจะไม่รู้สึกว่าเราเดียวดายเราจะไม่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียว ต่อให้เราไม่มีลูกไม่มีหลานต่อให้เราไม่มีใครมาดูแลต่อให้เราไม่มีใครมาเทคแคร์เวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับการที่ต้องอดทนกับอุปสรรคกับบททดสอบในใจของเราเราจะมีความยักเกลและมีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราแะความอดทนของเราอดทนพร้อมกับความเชื่อมั่นแล้วก็ความรู้สึกเลยว่าการช่เหลือของอัลลอฮ์นั้นอยู่กับเราอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์พร้อมช่วยเหลือเรา นี่จะทําให้ความอดทนของมุสลิมสมบูรณ์อดทนเพื่ออัลลอฮ์อดทนด้วยกับการขอให้อัลลอฮ์ให้เราอดทนได้แล้วก็อดทนโดยที่เราเชื่อมั่นว่าเรานั้นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตานีนี่คือการอดทนที่สมบูรณ์ปกติพอเราพูดถึงความอดทนเราจะคิดถึงอดทนเพื่อใช่ถูกไหมครับต้องอดทนเพื่ออัลลอฮ์นะอดทนให้อัลลอฮ์รักนะ อันนี้เป็นองค์ประกอบหลักแต่ว่าความอดทนจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่ครบสามข้ออดทนเพื่อพระองค์อดทนด้วยพระองค์อดทนกับพระองค์ก็ตั้งแต่นี้เราก็ตรวจสอบเราเจอแบบทดสอบไหนก็ตามถ้ามีสามข้อนี้อยู่ในเรื่องที่เรากำลังอดทนพี่น้องได้ผลบุญแน่นอนแล้วก็สูงสุดก็คือเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนด้วยอดทนให้ครบสามด่าน โอ้คนทนสามด้านในเรื่องไหนบ้างบททดสอบของเราที่เราต้องทนครับมีกี่เรื่องพี่น้องว่าอ่าทบทวนหน่อยเพว่าหลายท่านนี่เป็นนักฟังเมือชีพนะถ้าเกิดใช้ศัพท์เปนนักฟังมือชีพในชีวิตเราเราต้องทนกี่เรื่องครับพี่น้องโดยประมาณโดยประมาณคร่าวๆในชีวิตเราเรื่องที่เราต้องทนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมีสามเรื่องอันนี้สำหรับมุสลิมเลยนะสำหรับมุสลิมมีสามเรื่องถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหรือแค่เรื่องเดียวหรือ อ, อาจจะสองเรื่อง สำหรับมุสลิมเรามีเรื่องที่ต้องอดทนทั้งหมดสเรื่องด้ยวยกันเรื่องแรกอดทนกับภัยพิบัติหรือบททดสอบที่มันมาเจอกับเราอันนี้มุสลิมก็ต้องทนากาเฟสก็ต้องทนเราอยากจะรวยแต่อล่อให้เราไม่รวยเราอยากจะกินสิ่งหนึ่งแต่อล่อไม่ให้เราได้กินเราอยากจะเราอยากจะเราอยากจะแต่เราไม่ได้นั่นแหละคือบททดสอบในชีวิตประจําวันทุกคนโดนหมดมุสลิมก็ต้องทน ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ต้องทนอดทนกับการดาเนินชีวิตอต่พี่น้องถ้าเกิดจะแปลง่ายๆนะอดทนกับการดำเนินชีวิตต่อไปครับอันนี้ข้อแรกทางมุสลิมกับกาฟเฟสเหมือนกันต่อไปสองข้อมีเฉพาะมุสลิมอดทนที่จะฝืนอารมณ์บางคนอาจจะบอกกาฟเฟสก็ต้องอดทนผู้ฝืนอารมณ์คําตอบ ผู้ไปเสียทละอดทนที่ต้องฝืนอารมณ์เพราะเขามีเป้าหมายในดุลยาหลักๆคือเพราะมีเป้าหมายในดุลยาแต่มุสลิมเราอดทนที่จะฝืนอารมณ์เพราะเรามีเป้าหมายในอาเคระถามว่ามุสลิมกับผู้ไม่ใช่มุสลิมใครต้องอดทนมากกว่ากันมุสลิมครับพี่น้องอาหารการกินเราไม่สามารถกินทุกอย่างที่ผู้ไปเสียสละกินได้การทําธุรกิจเราไม่สามารถทําทุกธุรกิจที่ผู้ไปเสียสละทาได้ การดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกรอบของเรามีมากกว่าแปลว่าการต้องฝืนอารมณ์นิสัยเยอะกว่าเพราะนั้นความอดทนที่ต้องฝืนอารมณ์ตัวเองสวรรค์เข้าได้ด้วยการฝืนในโลกจะได้เข้าแท้าตามใจทนไม่เรื่องนี้เรื่องที่สองที่เราต้องทนเรื่องที่3มที่เราต้องทนคืออะไรครับทนในการที่ต้องทําการเชื่อฝังอวเละหมาดต้องทนไหมละหมาดต้องทน ถือเสืต้องทนไหมต้องทนทุกสิ่งทุกอย่างต้องทนเพียงแต่คนที่รักอัลลอฮ์มากๆเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกลำบากมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้คําว่าทนแต่จริงๆร่างกายก็มีภาระของมันถูกไหมครับเมือกับท่านอับดุลเบี๋ยมอัสรอร์ในสุลามท่านรักการละหมาดท่านยีละหมาดนานมากๆท่านไม่รู้สึกทรมานอะไรเลยแต่เท้าท่านบวมเพราะอะไรครับเพราะการทำำําอามันอิบาดะด้วยตัวของมันเนี่ยมันก็มี ความลำบากที่ต้องอดทนแต่ถ้าใจเรารักเสอย่างเราจะไม่รู้สึกทรมานกับมันอีกทีหนึงใครก็ตามที่ทําอิบาระเพื่ออัลลอฮฺแล้วรู้สึกว่าทนทรมานแปลว่าเขายังไม่ได้รักพู้อัลลอฮฺอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่รักพู้อัลลอฮฺอย่างแท้จริงโดยทดสอบหนักแค่ไหนเขาก็จะสามารถยิ้มได้เขาก็จะรู้สึกมีความสุขอยู่ในความทุกข์ที่เขามี ต่ท่านบีบอหิมโดยทดสอบหนักแค่ไหนก็ตามต้องเชื่อลูกต้องเอาขอบครัวไปทิ้งต้องอะไรก็ตามแต่แต่เพราะท่านอดทนอย่างครบเพื่อสามอย่างอดทนเพื่ออัลลอฮ์อดทนด้วยอัลลอฮ์อดทนกับอัลลอฮ์แล้วก็อดทนครบทั้งสาเรื่องอดทนในการเชื่อฟังอัลลอฮ์อดทนในการที่จะต้องฝืนใจตนเองอดทนในการดําเนินชีวิตเมื่อท่านครบทุกอย่างท่านก็สามารถยิ้มได้เช่นเดียวกับ บุคคลในประวัติศาสตร์มากมายครับผมจะเป็นถ้าเป็นทางมุสีมาบ้างก็ท่านหญิงมารยาม์อ่ะท่านหญิงบิลกีส์อ่ะท่านหญิงสุไลคอครับอีกหลายๆท่านจะเป็นมาชิตะหลายท่านมากครับหรือว่าภรรยาของฟาโรห์ที่เมื่อก่อนจะเสียชีวิตตัวทดสอบหนักจนคนอื่นมองว่าเป็นบ้าแต่นางไม่ได้เป็นบ้าเหมือนทดสอบหนักจนจะเสียชีวิตนางกลับหัวเราะแล้วก็ยิ้มได้เพราะร้อยนางเห็น ที่อำนักของนางในสวรรค์นางก็เลยยิ้มและมีความสุขจะเสียชีวิตอยู่แล้วเจียนตายอยู่แล้วแต่ยิ้มได้มีความสุขได้เพราะฉะนั้นนี่คือความอดทนของมุสลิมครับนี่คือความอดทนของมุสลิมในเรื่องการอกรอ ก, การกระหม่อมของอัลลอฮ์ในเรื่องการตอบอัลลอฮ์ในเรื่องที่ต้องควบคุมอารมณ์เราต้องอดทนเพื่ออัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักทิ่งครับ จากที่เราพูดมาถึงขนาดเนี่ยเรื่องอันตรายที่ผมต้องเตือนพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพวกเราเพราะความสิ้นหวังคือการที่ไม่ทนแล้วคนบางคนสิ้นหวังเลยทำฮารอมคนบางคนสิ้นหวังเลยทําลายชีวิตตัวเองคนบางคนสิ้นหวังเลยละทิ้งการเป็นมุสลิมระวังเรื่องของการสิ้นหวัง การท้อแท้เพราะอะไรครับผู้ที่สิ้นหวังเขาจะไม่มีทางได้รับชัยชนะเพราะพระลักษมณ์กล่าวไว้ในกุรานว่าวาบัชชีริสซอบีรินจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่อดทนแต่ว่าผู้ที่สิ้นหวังได้รับข่าวดีไหมไม่ได้มีทางได้รับข่าวดีข่าวดีคืออะไรอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์ให้เขาไดินเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาได้พ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกนี่คือข่าวดีเพราะฉะนั้นพี่น้อง ย้ำเตือนกับตัวเองเวลาเจอคนที่กําลังท้อแท้เวลาเจอคนที่แบบว่าสิ้นหวังกัลับเอาล้อแล้วต้องไปให้กําลังใจเขาต้องให้ความช่วยเหลือเขาถ้าเป็นตัวเราเองต้องฉีดวัคซีนให้ดีต้องฉีดวัคซีนให้ ด, อ ด, หดีอย่าลืมอดทนทั้งที่สมบูรณ์ทั้ง3องค์ประกอบนะเนี่ยไอ้มันสมบูรณ์ไลนชาววะ allah, ครับชีวิต มันจะไม่มีอะไรเกินความสามารถที่เราจะผ่านไปได้ด้วยความไม่ขาขอระองครับผมสำหรับวันนี้ครับเราก็พูดคุยในส่วนที่ว่าวัตวาซอบิซบครับผมวิชาร์ลในอาทิตย์หน้าครับผมเราก็จะมาต่อในส่วนของวัตวาซอบิมาร์ฮามะแล้วก็ในส่วนต่อๆไปที่เหลืออยู่นะครับผมก็วิชาอ์ลครับกับเนื้อหานะครับซีรีส์นี้เราก็น่จะเหลืออีกประมาณ 2. 3าตอน ไม่น่าจะเกินสองถึงสามตอนนะครับผมก็จะจบส่วนนี้แล้วก็อย่างที่พูดคุยกันตลอดมานะครับก็คือในส่วนของสุลในส่วนของการตั้บซีดอธิบายพราทเนี่ยเราจะไม่ไ ม, ไม่ไม่รีบแล้วนะครับเราก็ค่อยเป็นค่อยไปครับผมครับพี่นักที่รักยิ่งครับขอเดี๋จากพ่อรัสุบาณูวตาลนะครับผู้ที่เป็นที่รักของเราผู้ที่รักเรามากกว่าใครผู้ที่เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเราผู้ที่ไม่มีพระเจ้าในอกจาก ผ, ผู้ซึ่งไม่มีบุตรผู้ซึ่งไม่มีบีดาผู้ ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ขอโดวยว่าเจ้าผู้รอสุภานุตราด้วยการที่เรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์ด้วยกับการที่เรานั้นเป็นมุสลิมด้วยกับการที่เรานั้นพยายามดํารงตนให้เป็นผู้อดทนเพื่ออัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์ขอรอาจากผู้รอสุภานุตราอัลลอฮ์ยาวรอดปวดจะได้ทดสอบเราในสิ่งที่มันเกินความสามารถของเราอัลลอฮ์หาผพ้รอด ทดสอบเราด้วยกระบวนการทดสอบหนักใดๆก็ตามขอให้เรามีความสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความรักด้วยความเมตตาขอเลาะโอ้เลาะหากโป่งทดสอบเา่าหากโป่งเลาะให้เรานึกป่วยไขย้ยาวเลาะขอโป่งเลาได้รักษาเราด้วยหากโป่งเลาะให้เรานึก เ, เกิดความสูญเสียยาวเลาะโปรดให้กำลังใจแก่เราโปวดให้สิ่งที่ดีงามกว่านั้นแก่เราหากโป่งเลาะให้เราเกิดความเศร้ายาวเลาะ ปวดให้ความเศร้านั้นหายไปจากหัวใจของเราโอ้โหอัล่ะสุภาโนตระหาพูดแล้วทดสอบเราให้เรานั้นถูกทดสอบด้วยกับรูปแบบใดก็ตามไมได่ด้วยกับความกลัวไมได่ด้วยกับการสูญเสียไม่ว่าจะด้วยกับความหิวโหยยาวโปรดให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความอดทนอย่างแท้จริงพวกพูห์ละสุภาโนตวะหาด้วยเถิดขอให้เรานัน้นเป็นผู้ที่มีหัวใจนั้นผูกพันอยู่กับโพงผูกพันอยู่กับ อามาการทําอิบาร์ดะให้อัลลอฮ์รักขอให้เรานั้นรักพระองค์ขอให้เรานั้ น, ร, ร, น, นรักสิ่งใดก็ตามที่พระองค์นั้นรั ก, ว ก, วกแล้วขอขอให้เรานั้นรักสิ่งใดก็ตามที่จะทําให้พระองค์นั้นรักเราแล้วก็ขอโพระละซะบาระสุพานโนตานั้นให้เรารักผู้ใดก็ตามที่พระองค์นั้นรักเขาขออย่า้มีความโกธเกียรติ เกิดขึ้นในระหว่างหัวใจของมดาผู้ที่ศรัทธาโดยเพราะหัวใจของม ด, ดาคนที่ทํางานศาสนาโดยเพราะมา ด, ดาหัวใจของคนที่มุ่งหวังอยากจะรักษาศาสนาของพระองค์อยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระองค์อย่ารับปวดจะให้เกิดความแตกแยกในหัวใจของพวกเขาโปวดให้เขามีความหนักแน่นมั่นคงมั่นคงขอพวกเขานั้นมีความอดทนในการอยู่ร่วมกันขอพระองค์อย่าได้ให้ความดีงามที่เราทํานั้นสูญเปล่าอย่ารับปวดให้ความดีงามทุกอย่างที่เราทํา โปรดให้การที่เราได้ทุ่มเทเพื่อพงโปรดให้การที่เรามาศึกษาเพื่อพงโปรดให้ความดีงามใดๆก็ตามแต่ที่เราทำเพื่อพงนั้นยาววะโปรดอยาให้มันสูงต่าโปรดตอบแทนแก่พวกเราโปรดให้ความช่วยเหลือพวกเราโปรดรักพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเรานั้น เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีชีวิตเพื่อพระงแล้วก็เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่มีอีมานเ พ, พื่อโพระลอสุภาณุตระนางโม ต, ตมละโอ้เะในดุนยานี้เราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วในอคัคยร์เราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเรานั้นก็ไม่อยากที่จะถูกลงโทษไม่ว่าจะในถุงฝังศพหรือว่าจะในฝ่ายนรกอย่าเรโปวดรักเราโปวดเมตตาเราแล้วก็โปวดให้พรโปวดให้ความเจริญโปรดให้ความสันติเกิดขึ้นจากท่านอับดุลโมมัสลลารอิสลามตลาด วงวานของท่านตลอดจนมิสหายของท่านแล้วก็บุคคลที่ปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นอย่างดีงามด้วยเถิดครับอามินอะคุรุกะ ล, ลิฮะดนะ واسقفل الله ليبلكم وليسا لالمسلمين من فضل سقفله ولقفوره قب คุณจา ร, ร, รุภาถามมานะครับก่อนที่สิสามนะครับว่าละหมาดดูพาเริ่มละมาดตั้งแต่กี่โมงคือตั้งแต่ตอนเนี้ยคืออย่างที่เราพูดกันประ จ, จานะคะถ้าเากิดท่านใดที่ถ้ามาเข้าคอร์สเนี่ยเรียนเสร็จปุ๊บเข้าเวลาดุพาแล้วก็คือปวติดจะอยู่หลัง จะเป็นช่วงที่ว่าดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นจากฟ้ามาแล้วแต่เป็นภาษาไทย ง, ายง่ายง่ายเลยก็คือหลังละหมาดซูโบประมาณครึ่งชั่วโมงหลังเข้าเวลาละหมาดฟชเชอรีครับคำนวณเข้าๆ้ๆใช้คำว่าเข้าวเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถละหมาดดูฮาได้เลยก็คือตอนเนี้ละหมาดดูฮะได้เลยครับผมไปจนกรทังถึงช่วงสายไปจนเระทั่งถึงประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงนั่นแหละครับผมนัาือ ท, ที่เราสามารถละหมาดได้ก็มาชาร์ล็อตครับสําหรับท่านที่ จ้างใจทำดีบาดาเพื่อเาก็ขอเรารักและก็ตอบแทนให้ความง่ายายละกแคความช่วเหลือครับผมนะเดประชุมครับซบ้อผ่านก็รอมาไปทำีกอัชาดุลลาอีลาอัลเลมเตอสักบิคาวะตูบุไลครับสสสเสร็จล้วมาเลยคุณอัลลอฮบรักตุขครับม